ใจที่ว่างไม่ได้เป็นนิพพานใจใจที่ว่างมันไม่ได้เป็นนิพพานนะมันไม่ได้เป็นนิพพานสิ้นยึดใจที่ว่างสิ้นยึดไอ้ขันห้ามันอาวิชาที่มันติดอยู่กับไอ้ไอ้จิตดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยมันเลยดับไปเฉยเอาวิชาที่มันติดกับดั้งเดิมความหลงยึดเนี่ยมันดับไปความหลงยึดมันดับไปพอความหลงยึดดับไปอ่ะไอ้ขันห้าที่มันมันดับเอาธาตุมารวมกันมันยังไม่แตกดับไม่ถึงขั้นชีวิตยังไม่แตกดับไม่ตายขันห้ามันทํางานอยู่ ส่วนในจิตเดิมเดิมแท้ๆหรือใจเดิมเดิมแท้ที่เป็นธาตุที่มาสมกับธาตุดินน้ําลมไฟแล้วก็อากาศธาตุแล้วก็ธาตุรู้เนี่ยไอธาตุรู้มันเป็นความว่างมันเป็นความว่างอยู่อย่างนี้ไงมันก็เลยมีความเป็นอยู่ได้ใจที่ว่างเปล่าแล้วก็ในใจที่ว่างเปล่าก็มีขันห้าคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดดับเกิดดับซึ่งเป็น ไอ้ที่มันเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันเกิดดับเกิดดับในใจที่ว่างเปล่าก็เพราะว่าจิตหรือวิญญาณอขานเนี่ยมันไปรับรู้อะไรรับรู้อะไรต่างตาหูจมูกนิ้วกายใจในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารแต่ความที่มันเกิดดับเร็วมากมันส่งต่อกันเร็วมากมันเลยจนมีเขาเล็กบอกว่ามันเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเกิดพร้อมจิตหรือวิญญาณอขานแล้วก็ดับพร้อมจิตหรือวิญญาณขานคือ ไอจิตวิญญาณขันเนี่ยมันเปรู้อะไรเนี่ยรู้รูปลู้เสียงคิดรู้กิรู้รถรู้สัมผัสปุ๊บมันก็ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจเป็กลางๆทั้งจําได้ไหมารู้ทั้งทั้งคิดปุงปุงคิดมันเป็ดเสร็จอยู่ในนัดเลยเพราะว่ามันเร็วมากมันเกิดดับเร็วมากจนเราเนี่ยไปต้องไปแยกว่าะขณะนี้นะคือวิญญาณนะขณะนี้คือเวทนาขณะนี้คือสัญญาขณะนี้คือสังขารไปแยกไม่ทันหรอกมันเกพราะมันเกิดดับเร็วมากจนกระทั่งมันไปรู้อะไรปุ๊บมันก็มาคิดปรุงในใจรู้เนี่ยรู้รสมมกาคิดปงใในจ รู้อะไรมันมาคิดปรุงในใจนี่แหละมันไม่ไปปรุงข้างนอกหรอกเพราะอะไรวิญญาณนักขันเนี่ยมันก็รู้ออกมาจากใจนี่แหละแล้วมันมันก็ส่งต่อเวทนาคือไอ้ที่ไปรู้เนี่ยถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็สัญญาจําได้ไหมรู้แล้วก็ส่งต่อสังขารคือคิดปรุงปุงคิดมันก็มาคิดอยู่ในใจนี่แหละแต่ใจเนี่ยหรือจิตดังเธอแตะมันเป็นความว่างเปล่าเป็นความไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่มันมีความรู้ไงคือใจเน่ยมันอยู่ในร่างกายเรานี่แหละแต่มันว่า ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันสันฐานอะไรไม่มีดวงไม่มีแสงสว่างอะไรเลยมันมันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันมีแต่ความรู้แต่ความที่มันไม่มีตัวตนเลยเลยหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนใจไม่ใช่เป็นหัวใจเนื้อที่มันเต้นตุบตับตุบตับตุบตับหรือไม่ใช่สมองที่มันคิดได้อะไรเนี่ยมันใจมันมีแต่ความรู้ตัวตนมันไม่มีมันไม่มีรูปร่างเลยแต่มันรู้ก็แล้วกันว่ามันในใจเราเนี่ยมันมันคิดอะไรอยู่มันคิดอะไรมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรสบายไม่สบาย มีความสุขมีความทุกข์คิดดี Android. คิดชั่วคิดบาปคิดบุญคิดก like ุศลนะกุศลมันรู้หมดนะแอบคิดอะไรเกี่ยวกับใครเนี่ยมันรู้หมดเลยเพราะว่ามันมาแอบคิดอยู่ในใจไอ้ใจมันก็เลยรู้ไงมันคิดอยู่ในมันมันก็เลยรู้เหมือนนะมันมาคิดอยู่ในบ้านเราเราอยู่ในบ้านเราเราทาอะไรมันแอบทํำเลยในบ้านเราเราก็เลยรู้หมดเพราะเราเนี่ยมันมันมัอยู่ในบ้านเราเนี่ยพอเขามาแอบทาอะไรในบ้านเราเราเลยรู้หมดเลยเพราะมันทำในบ้านเราไม่ได้ไปทําในบ้านคนอื่นมาทําในบ้านเราใจเนี่ยมันมาทำอะไรในใจใจมันเลยรู้หมดเลยว่ามันว่ามันมีความคิดมีอารมเลย ก็ดขึ้นในใจเนี่ยใจมันเลยรู้หมดว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจแต่ใจเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันไม่เกิดไม่ดับด้วยแต่ไอ้ที่มันมีความคิดอารมณ์มีความรู้สึกมีความจําได้หมายรู้อะไรที่มันมาปรุงแต่งเนี่ยถูกใจไม่ถูกใจส่งต่อสัญญาจําได้หมรู้ส่งต่อสังขารคือความคิดปุกปุ่มคิดมันก็เอามาปรุงอยู่ในใจนี่นะมันก็เลยมาเกิดดับหยุดเกิดดับในใจแต่ใจมันไม่เกิดไม่ดับด้วยไง่ะเพราะใจมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเขาจึงเปรียบไอ้ใจหรือจิตตั้งเดิมแต่านนรู้เี่ยมันเหมมือนกกับดลูหรือธาต ขอผู้หญิงแล้วก็ไอเด็กที่มาเกิดในคันเนี่ยก็คือไอจิตวิญญาณขันเนี่ยที่มันไปรับรู้อะไรต่างตาหูจมูกที่นกายใจแล้วมาส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารที่มันเกิดดับเร็วมากมันก็เลยเามาคิดปรุงปรุงคิ ด, ค, ดคิดพากคิดวิเคราะห์วิจารวิจยัยตึกต้องอยู่ในใจเหมือนพูดอยู่คนเดียวบนคนเดียวหรือทำท่าทางทำปฏิกิริยามีความรู้สึกมีความรู้สึกตัวมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคิดมีความรู้สึกอยู่ด้านนั้อยู่ในใจด้ยน่ย ใจมันก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงในใจแล้วมันก็เกิดดับไปเกิดดับไปไอ้ตกลงนะสรุปหมดเไอ้ที่มีปฏิกิริยามีอาการทั้งหมดเนี่ยใ ห, ให้รู้รับรู้ได้เนี่ยเรียกว่าธรรมอารมณ์ไอ้ธรรมอารมณ์เนี่ยเหมือนเด็กที่มาเกิดในคันเกิดอยู่ในใจแล้วก็คลอดออกไปธรรมอารมณ์เนี่ยนี่มาเกิดขึ้นในครันมาเกิดดับอยู่ในครันแล้วเหมือนเด็กคลอดออกไปแต่ไอ้จิตตั้งเดิมแท้หรือ ใ, ใจตั้งเดิมแท้หรือธาตุ ร, ารู้เนี่ย เป็นเหมือนขันหรือมัดลูกไม่เกิดไม่ดับด้วยไม่แตกไม่ทํำลายไม่มีอาวุธใดในโลกทําลายก็ได้นิพพานก็ค่าเขาไม่ตายเพราะว่านิพพานสิ้นเฉพาเอาวิชชาสิ้นอวิชชาที่ติดอยู่กับธาตุรู้เอาวิชชาดับไปแต่ธารู้ยังคงเป็นธาตุรู้ที่วา่างเปล่าดั่งเดิมและที่เป็นพุทธะที่เป็นความรู้รู้จริงรู้แจ้ ง, ร, จ ร, งรู้สิ้นหลงสิ้นยึดรู้ว่าสิ้นกิเลสรู้ว่าสิ้นความตัวตนไม่มีสิ้นภพสิ้นชาติการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอีแล้วจบแล้วเกิดดิพิทายานคือ หมดแล้วเบื่อหน่ายในสังสารวัตรเบื่อหน่ายในสังคารเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นเกิดวิลาคะคือบมอย่างเดนียวสิ้นความยึดก็เรียกว่าหมดอย่างเหนียวเกิดวิมุตต์คือหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นริพานปฏิบัติอย่างเงี้ยถ้ากับใจอย่างเงี้ยเราเป็นผู้มีปัญญาครับกับใจอย่างนี้มันจะปฏิบัติผิดผิดุกๆวิธีทที่อะไรก็ไม่รู้ปฏิบัติกันมาเนี่ยตอนนี้กับใจภาพรวมแล้วอ้าวตอนนี้ให้ถามป่ะจะได้ไม่ต้องอธิบายมากกับใจภาพรวมแล้วจะทําอะไร แล้วถ้าถ้าอันสิ่งที่เราไปรู้เรายังรู้สึกว่าเป็นเราเข้าไปรู้ก็ก็เป็นก็ยังโอเคก็คือรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่ธรรมชาติมันมีสองอย่างอนะธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุกไม่อาจปรุงแต่งได้คือวิสังขารนี่ยสังคัตธรราตุที่เราปรุงแต่งได้มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราได้มันต้อง เราต้องเข้าใจได้ปัญญาของเราได้ใจของเราตั้งแต่ตอนฝังนี้แล้วว่าถ้ามันปรุงเป็นความรู้สึกเป็นตัวเราได้มันต้องมันต้องเอาอะไรมาปรุงเอาธรรมชาติอัไรไหนมาปรุงเพราะธรรมชาติมีแค่2อย่างคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้กับปรปุงแต่งไม่ได้ธรรมชาติที่ปรุงแต่งได้ก็คือขั น, น, น, น, น, นขห้ออาธรรมชาติที่ 5, ปรุงแต่งไม่ได้ก็คือจิตเดิมแท้ๆหรือใจดังเดิมแท้ๆซึ่งมันเป็นวิสังขารหรืออาสามขันธะมันปรุงแต่งไม่ได้ดังนั้นถ้ามันปรุงเป็นความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันต้องเป็นธรรมชาติอะไรฝ่ายไหน ฟงแต่งคือมันเป็นธรรมชาติปล <and living S 2> ่อยฟงแต่งเราก็อย่าไปยึดมันปล่อยมันเถอะแต่ให้มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของความปุงแต่งมันเป็นขันห้าเราก็อย่าไปยึดมามันจะปุงแต่งเป็นตัวเราตัวเราตัวเราไงก็จะแต่ให้เห็นว่ามันฟงมันฟงเนี่ยเป็นตัวสมบันุงขึ้นมาเป็นสมมติมันเป็นตัวเราตัวเราจะไปจริงจังกับมันว่ามันเป็นตัวเราจริงๆ แต่เห็นว่ามันเอาขันห้ามาปรุงเ ป, ป็นมันปรุงเป็นตัวเรา leave. ตัวเราเป็นสมนส ม, มติเอาไว้พูดกันเพื่อพูดคุยกันเราตัวเราพูดคุยกันสื่อสารกันก็เรียกว่าเป็นสรรพนามแต่ไม่ใช่ไปยึดเอาเป็นเร า, เ, รา ال, เป็นตัวเรา lam. เป็นตัวนตนจริงๆเลยมันปรุงเป็นสรพพนามพูดคุยกันสื่อความหมายกันเรานี่ของเรานะนี่ของเธอนะนี่ของฉันนะอะไรเนี่ยมันเป็นสรรพนามที่มาพูดกันให้สื่อความหมายเข้าใจกันแต่ไม่ใช่ว่าเอาสรพพนามที่เอาขันห้ามาปรุงเนี่ยเป็นตัวเราจริงๆเป็นตัวตนของเราจริงๆเลยเข้าใจไหม ถ้าเราเห็นมันเป็นเพียงสรรพนามเป็นขันธ์ห้ามาปรุงเพื่อสื่อความหมายกันไม่ไม่มีใครยึดมันไว่เป็นกิเลสอะไรเลยไม่เป็นอวิชชาต่อมันปรุงมาตัวเราเนี่ยผมพูดตัวเราตัวเราตัวเราของเราต้องเราก็ปรุงก็ตัวเองตัวเราตัวเราของเราของเราแต่ถ้าเรามันเห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งมันไม่ยึดมันก็ไม่เป็นอวิชชาไม่เป็นกิเลสอะไรแต่ถ้าเรายึดจริงๆกันนี่มันตัวเราจริงๆตัวตนของเราจริงๆอันนี้มันเป็นอวิชชาเป็นกิเลสทันทีเลยทําไงต่ออะกับค่ะ ไม่ไม่ถามเราเเข้าใจไหมล่ะเราติดยึดยังไงติดหลงเลก็เข้าใจแต่ยังยังไม่ไม่เกียังทำไม่ได้ก็ข้างในใจมันยังเอาอีกนี้อ่ยมันยังเอาขันหน้าไปปรุงมันได้ปรุงเป็นตัวเราที่หล่นกนหาพยายามเนี่ยเนี่ยมันในใจมันยังเอามันยัเอาขันหน้าที่มันปรุงแต่งได้เอาไปหลงว่าเป็นตัวเรา <unlucky. S 2> ตัวเราไปดิ้นหล่นไปค้นหาทางปฏิพาณดิ้นหลนค้นหาทางปุุคดิ้นหนเอาไปดิ้นหลนค้นหาปฏิภาณเาไปพยายามพยายามพยายามพยายามไปดิ้นลนอย่างนี้กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่เราไม่เห็นว่าไอ้ตัวที่มันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมันเป็นสังขารมันจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กในใจยังไงก็ตามมันเป็นขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งเราก็เห็นติองจาก เราก็เป็นตัวเราจริงๆเลยไป ด, ดิ้นรนไปค้นหาวุทางไปไปเอามันเป็นเอาให้มันได้ยิ่งยิ้มันก็หลงเล่นขันอ่างอย่างเดียวเลยจะเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยทฤษฎีก็เข้าขใจค่ะเป็นไงทฤษฎีเข้าใจแล้วใจมันต้องให้เขาใจคือเวลาที่มันไปเห็นเนี่ยคือมันบางทีมันก็จะรู้สึกว่า เราเข้าไปเห็นแบบว่าก็มันไม่ได้รู้สึกค <bor> ือค <c ười> ือสมมติาพอไปเห็นไอ้ที่มันปรงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่บางทีพอเราไปมองมันก็จะเห็นว่าเราเข้าไปรู้ความยุ่ยิกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันมีสองอย่างนะที่เราพูดเลยนะหนึ่งมี ความรู้สึกว่ามีตัวเราเข้าไปมองอ้นี่มีความรู <cares> ้สึกว่าตัวเราเข้าไปมองสองเมื่อตัวเราเข้าไปมองเราเลยเห็นเนี่ยภายในใจเราเนี่ยมันมีอาการยุกยิกยุกยิ๊กลูกก็เห็นมันไปเลยว่าเนี่ยปฏิกิริยาการที่มันมีลักษณะที่มันปรุงการเข้าไปมองได้อะเป็นธรรมชาติทั้งจิตทั้งเดิมนใที่จะแดงเดินแท้มันมันปรุงไม่ได้ไงมันแสดงกิริยาการการที่ว่าทําท่าเข้าไปมองเข้าไปดูเนี่ยมันทําไม่ได้ มันปรุงไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติไม่ปรุงแต่งจิตตั้งเดิมแท้ๆมันมีแต่ความรู้แต่มันเนี่ยไปปรุงการเข้าไปมองพยายามไปมองพยายามไปดูเนี่ยมันทําไม่เป็นทําไม่ได้เพราะมันเป็นอัศังคตธาตุหรือวิสังขารคือมันเนี่ยปรุงไม่เป็นปรุงไม่ได้มันเป็นอัศังคตธาตุเป็นวิสังขารดงนั้นไอการที่เราปรุงว่ามันมีตัวเราเข้าไปมองดูอาการเห็นว่าอาการของจิตเรามันมีจุกจิกจิกิกจไอความปรุงเนี่ย เราก็มีปัญญากำกับมันในใจของเราว่าเนี่ยไอ้การพูดงเข้าไปมองเนี่ยมันเป็นขันห้ามันเป็นตัวปรุงแต่งเราไม่ยอมไปหลงเพาจริงจยังจางว่ามันเป็นเราไปเห็นว่ามันเป็นขันห้าเป็นขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งแล้วส่วนไอ้กริยาการที่อยู่ในใจเรายุกยิกยุกยมันจะยุกยิกยังไงก็ตามมันจะดิ้นรนจะกดหาจะพยายามอะไรเราก็เห็นมันเป็นเราก็มีปัญญากำกับว่ามันก็เป็นขันห้ามันก็เป็นตัวปรุงแต่งเพราะฉะนั้นทั้งไอ้ตัวผู้เข้าไปดูไปรู้ไปมองเนี่ยมันก็เป็นขันห้าเป็นตัวปุงงแต่ ถ้าไอ้อาการของใจที่ถูกดูถูกรู้ไม่วันมันจะปรุงเป็นคิดเป็นนึกเป็นตึกเป็นตองได้เลยก็หนามันก็เป็นตัวปรุงแต่งเมื่อเราเห็นมันทั้งไอ้สิ่งที่ถูกอาการที่ถูกรู้ก็เป็นตัวปรุงแต่งไอ้ผู้ดูผู้เข้าไปมองผู้เข้าไปดูไปรู้ก็เป็นตัวปรุงแต่งเป็นขันอาทั้งหมดอะเรามีปัญญากรรกับแล้วก็มันจะจะดูอยากจะรู้ยังไงเราก็ไม่ยึดมันทั้งคู่เนี่ยเห็นมันเป็นขันอามันตัวปรุงแต่งวางมันได้หมดมันจะได้กลายเป็นตัวไม่ปรุงแต่งนะจะได้เป็นตัวอสังกัตถะหรือสังขารที่ปรุงแต่งไไม่ด้ ถ้าเรายังเป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งมันก็หมดโอกาสเป็นวิสังขารที่ความไม่ปรุงแต่งเข้าใจไหมมันกระจายไงซักให้มันกระจายดูอยู่ค่ะดูอยู่ก็ <c oughs> เห็นว่าเนี่ยผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันเป็นอะไรก็ <c oughs> ปรุงแต่งอืมตัวปรุงแต่งตัวขันห้ามันต้องมาปรุงแต่งเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ก็ปล่อยมันได้แล้วไปมีปัญญากํากับอันหนึ่งมันก็เป็นตัวปรุงแต่งเป็นขันห้า เจะทำท like ่าไรก็ตามท่าทําท่าไรก็ตามมันเป็นขันห้าหมดแล้วเขาปรุงแต่งอย่าไปยึดมันพรที่ยึดขันหน้ากันแน่เนี่ยมันก็เหลือเป็นมันก็เหลือเป็นธานรู้ที่บวกกับวิชาไอ้วิชามันก็ดับลงเหลือแต่ธานรู้เพราะว่าธานรู้มันไม่ใช่ขันห้าไงขันห้าไม่ใช่ธาตุรู้เพราะว่ามันเอาธาตุธานรู้มันมาผสมกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินนี่ก็คือสเปิร์มของพ่อแล้วก็ธาตุน้ำก็ไข่ของแม่แล้วก็หายใจเอา ธาตุลมใจธาตไฟเข้าไปแล้วก็กิ น, 3, น 3, สารพืชสารกินน้ําเข้าไปอ่ะนั้นไอ้มันไอไดินน้าลงไปมันก็ไม่ใช่สารนำคันมันเป็นธาตุประกอบแต่ธาตุมันแท้จริงคือท่านรู้เนี่ยแต่มันธาตรู้บวกกับวิชาคื อ, อยังยึดถือยังลงยึดถืเอเพราะในไอไอธาตุรู้เนี่ยที่มันบวกวิชาไม่ที่ขันห้าขันห้าคือสิ่งที่มันเอาธาตุมาผสมกันเสร็จแล้วเนี่ยมันเลยเป็นรูปเป็นเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเป็นขันห้าเป็นเป็นกระบวนการของชีวิต แล้นที่มันปรุงเป็นขันหน้าที่มันปรุงเข้าไปดูไปรู้แล้วเป็นอาการของจิตกระเพื่อมมันก็เป็นขันหน้าอาการอะไรก็ตามที่มันเป็นอาการอาการอาการแล้วก็ให้ผูเข้าไปดูเข้าไปรู้มันก็เป็นอาการของขันหน้ามันต้งปรุงเป็นมันตึงปรุงเป็นดูไปรู้ไปอะไรต่างๆได้แล้วแล้วก็ปรุงเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจความรู้ความเห็นความเข้าใจพยายามรู้ละป่อวางพยายามรู้ละป่อยวางมันเป็นขันหน้าทั้งหมดแต่พอที่มันแสดงกิริยาการได้มันต้องเป็นขันหน้าส่วนในถาดรู้เนี่ยมันปรุงไม่ได้มันเป็นอสังขตธาตุมันไม่อาจปรุงได้ พอเราเป็นสิ้นยึดขันห้าตอานั้นเนี่สิ้นยึดขันห้าเพราะขันห้ามก็คงเป็นขันห้าเป็นขันห้าตามปกติทําหน้าที่ตามปกติไอ้ส่วนธาตุรู้เนี่ยมันก็เลยอวิชามันก็เลยดับพรอสิ้นยึดไอ้ธาตุรู้มันยังเป็นควมเป็นธาตุรู้อยู่แต่อวิชชาที่ติดกับธาตุรู้มันดับไปเพราะมันไม่มียึดมันไม่ได้ยึดขันห้ามันก็เลยเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์คือมันก็ยังเป็นความรู้อยู่ตามเดิมเพราะมันเป็นธาตุรู้ไอ้ส่วนขันห้าก็ยังทํางานของขันห้า แต่มันเส้นยึดขันฮะว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันก็เลยขนันห้าก็ยังทํางานของขนันห้าไอ้ธาตุรู้ที่บวกกับวิชารวิชามันดับไปก็เหลือแค่เป็นธาตุรู้เพียวๆมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติเนี่ยขันห้าก็มีอยู่แล้วในธรรมชาติคือปรุงแต่งเกิดมาแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จำได้ไหมายรู้มีการมีการรับรู้ทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจขันห้ามันก็มันเกิดมาแล้วมันก็มีขันห้าแล้วขนวันห้าไม่ได้เป็นกิเลสขนันห้าไม่ได้เป็นนิพพานแล้วก็ ธาตรู้ก็ไม่ได้เป็นนิพพานธารูาาร้ไม่ได้เป็นนิพพานขันห้ามไม่ได้เป็นพแต่มันเป็นกระบวนการกระบวนการผสมกันขันห้ามเป็นเกิดมาจากกระบวนการผสมกันตั้งแต่สเปริร์มจะเป็นธาตุดินแล้วก็ไข่ของแม่ที่เป็นธาตุน้ําแล้วก็ธาตุลมธาตุไฟกินสารพืชสารกินา น, า น, น, กน้ําเข้าไปแต่ถ้าบอบนี้มันถ้าประกอบมันต้องแตกหนับทําลายไปหมดแล้วมันเหลือแต่ธาตุรู้นี่แหละหรือวิญ ญ, ญาณธาตุที่มันเข้ามาผสมเนี่ยที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณตอนแรกะ มันเรียกว่าติดตัวที่วิญญาณก็เพราะอะไรมันเริ่มมาเกิดมันก็มาด้วยอวิชชาแล้วอวิชชามันติดมากระทารู้แต่มันยังไม่เป็นขันธ์หน้าตั้งแต่แรกนะไอ้ที่ะสมกันเนี่ยสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่มันยังไม่เป็นขันธ์นะกินสาหร่ายสัตว์กินน้ําเข้าไปกินลมกินอากาศไปก็ยังไม่เป็นขันธ์หน้ามันยังไม่เป็นขันธ์หน้าเลยตอนนั้นน่ะนู่นไอ้วิญญาณขันธ์เน่ยมามาวิญญาณไม่ใช่วิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุหรือธาตุรู้นั่นแหละมันเพิ่งเข้ามาประสม พอเข้ามาผสมเสร็จแล้วเนี่ยมันจึงเป็นนามรูปนีไงนามรูปมันเลยเกิดมาที่หลังเอ่อขันท่าเนี่ยมันเลยเกิดมาที่หลังขันหน้าเนี่ยนามรูปมันเลยเกิดขึ้นมาที่หลังแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนึ่งทำให้เกิดสลารยตนะคือมีประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายและประตูใจขึ้นมาอาณตนัภายในจึงเกิดพร้อมดังนั้นพระเจ้ามาคนพบตรงเนี้ยในายามสามของวันเพ็ญสิบห้าค่ำ วันวิสาขาบูชาเรียกว่าปฏิจจสมปัตยอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเพราะอะวิชชาเนี่ยที่มันติดมากับทาตรู้เนี่ยมันก่อนตายมันก็ไปจับจองแล้วจับจองอะไรจับจองภพภูมิที่จะไปตามบุญบาปกรรมดีและกรรมชั่วแล้วตามที่ยึดติดมันจับจองภพภูมิไม่ในใจก่อนไปอวิชชาเนี่ย ที่มันติดอยู่ในจิตเดิมแท้ๆหรือธานุรู้เนี่ยที่มันยึดไว้ตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยมันจับจองไว้ก่อนจึงเป็นเอาวิชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือไปผสมกันติดธาตุเลยผสมกันติดเป็นสังขารเพื่อรองรับวิญญาณพอมันผสมธาตุผสมกันติดคือธาตุสเปิมกับพ่อไ ข, ข่ของแม่เป็นถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็สเปิมของสัตว์เดรัจฉานตวัวผู้กับไ ข, ข่ของตัวเมียผสมพันธ์กันเริ่มต้นแต่สตเปิมเป็นธาตุดินไข่เป็นธาตุน้ําเริ่มต้นมาจากนั้น แล้วก็กินสาปพืชสาปสาัตว์เข้าไปแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็จะกินอาหารอะไรคนตัวเองไปแล้วก็พอท่าผสมกันเอาวิชาเป็นปใจใัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปใจใัจจัยเกิดวิญญาณนี่ไงวิญญาณจะเข้ามาผสมได้เพราะว่ามันมีสังขารปรุงแต่งรองรับไว้เป็นหยดเลือดเป็นก้อนเลือดผสมไว้รอวิญญาณมาวิญญาณนี่เข้ามา เปลี่ว่าตั้งแต่อาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเนี่ยวิญญาณเข้ามาผสมยังไม่มีนามรูปเลยยังไม่มีขันห้าเลยขันห้ายังไม่มีเลยเห็นไหมเ อ, อ้ยขันห้ามามีตอนเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจริงเกไม่เกิดนามรูปพอวิญญาณเข้าผสมปุ๊บเกิดนามรูปเลยเกิดขันห้าเลยเพอนามรูปเป็นปัจจัยจริงทำให้เนี่ยเลยเริ่มง่ อ, ของเข้ามา็นตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสลายยัตนะไอยัตนะหก เกิดขึ้นมาเพราะมีอายะตนะขึ้นมาพบกปรายมีผัสสะมีการหับรู้ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจเน่มีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาคือมันเป็นธรรมชาติในกระบวนการถึงเวทนาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติคือเมื่อมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและทำอารมขณะที่กระทบกันจะต้องเกิดเวทนาคือถูกใจไม่ถูกใจเพราะอายตนะเป็นเหตุเพราะมีขันห้าเป็นเหตุ จึงทำไม่มีอายตทนานะเพราะอายะานะเป็นเหตุจึงทําให้มีผัสสะเพราะผัสสะเป็นเหตุคือมีการกระทบกันกับอายตทนานะภายในกับภายนอกจึงทําให้เกิดเวทนาคือมีความถูกใจไม่ถูกใจและเป็นกลางๆเพราะเวทนาเป็นเหตุจึงทําให้เกิดความหลงยึดมั่นถือมั่นเกิดตัณหา น, นี่ความหลงมันมาจากตรงนี้อาวิชาที่มันติดมากับธาตุรู้มันมาเกิดความหลงตรงเวทนานี่คือถูกใจยึ ด, ยดดูดเข้าหาตัวความยึดที่มันติดมากับธาตุรู้ความยึดว่า ไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งเป็นร่างกายใหม่ในชาตินี้เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราไอ้ขันห้าเนี่ยที่มันปรุงแต่งในแต่ละร่างเนี่ยออกมา this is the ั o เ y of us we forget t h า t we a r แ the egg and the egg is us where d i อ it come from this is the face that we are made of this ก s the body of us น้าที่ผสมกันแล้วจะมันมีความรู้สึ ก, กมีคิดอารมณ์มีความจําได้หม่รู้มีการรลำลู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเหรอนี่มันมันมีมาแต่แรกไม่ใม่มเกิดที่หลังแล้วเรามาจากไหนแล้วเราเป็นใครอยู่ในร่างเนี้ยเราตายแล้วไปไปไหนความไม่รู้ตรงนี้เขาเรียกว่ า, าวิชา เอวิชามันเลยผสมติดอยู่กับไอ้จิตเดิมแท้ไอ้ท่านรู้เนี่ยเป็นเอาวิชามันก็ยึดเอาไอ้ร่างกายที่เป็นกันหน้านี้เป็นตัวเราตัวเราตอนนี้ยพอมันไปกระทบกระไรน้ำตาหูจะาหูริ้วกายใจในทุกขณะปัจจุบัติต้องธรรมชาติต้องเกิดเวทนาคือถูกใจไม่ถูกใจรับไปกากางถ้าถูกใจมันก็ดูดก็หาตัวเองเลยดูดอยากได้อยากเอาอยากเป็นเอามาเป็นของเราของกูของกูของกูงกงกตัวกูเพราะเราเนี่ยยึด ตัวกูไว้เป็นหลักพอยึดตัวกูไว้เป็นหลักคือไอตัวขาน้าว่าตัวกูเป็นตัวกูเนี่ยเป็นหลักเสร็จแล้วหรือตัวเราตัวเราเป็นหลักไว้สิ่งใดที่กระทบถูกใจมันก็เลยดูดทันทีเลยดูดปัโต้เป็นดูดดูดก็หาตัวอยากได้อยากเอาจยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แต่พอกระทบอะไรแล้วเกิดความไม่ถูกใจที่เป็นทุกขเวทนามันก็รังเกียจหุดหงิดลำแขาดิ้นรนผักใสโดยอัตโนมัติเพราะอะไรความหลงมันติดมากับจิตตั้งเดิมแท้ๆที่เป็นอริยชา มันเมื่อมันยึด เ, เอาไอ้ไอ้ขันห้าเนี่ยเป็นตัวเรายืนพื้นตั้งไว้มันก็เอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจพอถูกใจมันก็ดูดเข้ามาไม่ถูกใจมันก็ดิ้นรนผักใสพุธกิจําคาลมโห бо, อยากจะทำลายอยากจะด่าว่าอยากจะตำหนิติดเต 1988, ียนนินทาวา่าลาอยากวิพากวิจารณถ้าถูกใจมันก็ดูดขอเข้ามาไม่ถูกใจมันก็รังเกียจเดียวจันมันมีความพอมีทั้งดูด ท, ท, ทั้งผักทั้งดูดทั้งผัก ถ้าเป็นความเป็นกลางๆมันก็หลงอยู่แล้วเนี่ยเอีหลงไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์เฉยรับรู้อะไรเฉยอุเบกขาวเวทนาเฉย อ, อย่างเดียวไปกลายไปยึดอุเบกขาวเวทนาเฉออยเลยตอนเนี้ยเวทนามันเป็นกระบวนการแต่มันเอาเอาวิชาที่มันติดมากระทานรู้ไปยึดเลยสุขเวทนากูจะเอาอุเบกขาวเวทนาก็ะจะเอาแต่ทุกเวทนาไม่เอาตอนเนี้ย มันก็ไปดูดเวทนามันก็เลยเป็นตันหานี่ตันหาตันหามันก็เลยเกิดเพราะมีตันหาก็ดูดเลยแต่นี้เกิดความอยากแต่นี้ยากอยากอยากเป็นอุปทานอันไหนก็ชอบใจถูกใจก็ดูดอยากเอาเข้ามาไม่พอใจไม่พอใจอยากจะผลักออกไปมันก็เป็นอุปทานความจิตมันถือมันเป็นยางเหนียวเป็นกาวเหนียวติดเลยแต่นี้อยู่กับสิ่งนั้นเกิดเป็นภพเป็นชาติที่สร้างไว้ในใจติดอะไรก็เป็นภพเป็นชาติ เป็นชาามะระณะมีความเก็บความแก่ความเก็บความตายเกิดเปลี่ยนว่ายตายเกิดทุกโศกเศร้าเสียใจแต่ถ้าในชาติในขนาดที่มันยึดในขณะนั้นความพบชาติชาามะรณะคือพอที่ยึดตัวนี Net ้มันก็ยึด peanuts, ตัวอื่นที่ยึดตัวนี้ก็ยึดตัวอื่นคือพอยึดอะไรมันก็เป็นขนาดจิตนั้นมันก็เป็นพบเป็นชาติเป็นชาามะรณะคือมันดับมันเกิดละดับในนั้นแต่พอมันเปลี่ยนยึดใหม่มันก็เป็นพบเป็นชาติเป็นชาามะระณะเกิดดับอันใหม่ที่มันยึดพอไปเปลี่ยนอยึดใหม่มันก็ไปเป็นบเป็นนแล้วกมดััทุอให มันจะสลับไปอย่างเงี้ยจกว่าว่าแจ็คพอตจะไปตกตรงไหนตอนที่เราจะตายเหมือนเหมือนในาที่รูเลตอะไอไออะไรนะที่เขาเล่นรูเลตตอกลมๆที่มันเป็นช่องชๆๆอ่ะแล้วไอไอที่หมุนรูเลตไปเนี่ยตอนเราจะตายเนี่ยไอช่องนั้นมันเป็นดับตรงไหนเจ้าเจ้เออไปยึดอะไรไว้ตอนนั้นเน่ยยึดปุ๊บมันก็เป็นเอ่อเป็นตันหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติแล้วก็พอที่ยึดตอนนั้นก็เปมันก็ดับไปตรงนั้นเลยก็จะลามาแล้วะดับไปตอนนั้นะเป็นทุกตอนนั้นก็ดับไปตอนนั้นแล้วยึดใหม่ก เป็นตันหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติเป็นชร า, ามราณะแล้วก็เป็นทุกข์ใหม่แล้วก็ละจากภพบนี้แล้วไปไปเข้าช่องรูเลตอันนี้ก็ไปยึดใหม่อี ก, ย, ก, ย, ก, อ ก, กยึดถูกใจก็ยึดไม่ถูกใจก็ผักยึดถูกใจก็ดูดเข้าไม่ถูกใจก็ผักออกก็ไปยึดใหม่อีกยึดตามช่องช่องช่อง ช, อง ช, องชองในขนาดที่กระทบทางตาหูจมูกดิ้นกายใจในขณะปัจจุบันแต่และขณะปัจจุบันที่ยังไม่ตายก็เปลี่ยนช่องยึดไปเลยลูเล็ตก็หมุนไปเรื่อยแต่เนี้ยยังไม่ตายอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องกระทบทางตาหูจมูกดิ้นกายใจแแล้ววต่่า มันยึดอะไรในขณะปัจจุบันนั้นถ้าชอบใจก็ดูดเข้ามาไม่ชอบใจก็ผลักออกไปรูเล็ตมันยังไม่ดับอ่ะยังไม่ ย, ไมยุดบุญเพราะว่ายังไม่ถึงแก่ความตายตอนถึงแก่ความตายเนี่ยมันไปนตกช่องไหนอ่ะมันไปนตกช่องที่เรายึดอะไรไว้อันนั้นเนี่ยภพชาติที่เราสร้างไว้เพราะฉะนั้นรูเล็ตที่มันเปลี่ยนไปแต่ละช่องคือภพชาติความทุกข์กับสิ่งนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยอยู่ที่ว่ายะถากรรม ยะถากรรมจริงๆเหรอในทุกนาปฏิวัติเป็นไปตามยาถากรรมเดี๋ยวเปลี่ยนยึดนี่เปลี่ยนยึดนี่เปลี่ยนยึดนี่เปลี่ยนยึดนี่เปลี่ยนยึดนี่รอวันเวลาที่จะลูเล็ดดับตอนนั้นเนี่ยยึดช่องไหนอะนั่นแหละคือพบชาติที่จะไปสิ้นยึดไม่มีช่องของลูเล็ดที่จะเล่นไม่มีพบชาติที่จะไปไม่มีทุก ตอนนั้นเนี่ยขันห้ามันยังทางานอยู่ไม่มีใครยิจฉาห้ามมันจะปรุงแต่งเป็นความรู้สึกตัวยังไงก็ตามปรุงแต่งเป็นผู้ดูผู้รู้ยังไงก็ตามปรุงแต่งเป็นอาการยังไงภายในใจที่ถูกดูถูกรู้ยังไงก็ตามมันก็เป็นอาการของขันห้าทั้งหมดขันห้าไม่ใช่นิพพานแล้วขันไม่ได้เอาขันห้าไปนิพพานนิพพานมันคือปล่อยวะดับภวิชาที่ติดมากระทันรู้กรานรู้ไม่ใช่ขันห้า ธารู้ไม่เจอกันหน้าถ้าตุรู้มันรวมกับธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตรู้แต่มันบวกกับวิชาคือความโง่ยังติดมากับธาตุรู้ความโง่ของวิชาคือหลงยึดมั่นถือมั่นหลงผิดตัวหลงยึดผิดตัวมันติดมากับธาตุรู้แต่เมื่อธาตุมัรวมกันแล้วเป็นขันห้าคือเป็นกระบวนการทํางานของชีวิตขันห้าไม่ได้เป็นกิเลสจะคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลไม่ได้เป็นกิเลสสุข เวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนาไม่ได้เป like ็นกิเลสกิเลสมันอยู่ที่อาวิชาที่มันติดมากั้งแต่างรู้ที่มันรู้หลงมันยึดมันไปยึดขันหน้าเข้าแล้วมันก็เอาขันหน้าไปยึดภายนอกร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันเลยเป็นกิเลสกิดมันยึดมาจากเอาวิชาที่ติดมากั้งแต่างรู้รหลงนี่แหละพอมันยึดปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเอาวิชาทันทีนี่เอาวิชาเนี่ยทำไม่ยึดมันไม่แสดงออกมาเพระมันยึดปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเอาวิชา แต่ความเกิดมามันยึดตั้งแต่เกิดเลยว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยที่มีรูปร่างแบบเนี้คือตัวเรามันยึดมาในจิตมันยึดมาในจิตเดิมดแท้ๆและมก็มาเกิดปฏิกิยาทํางานตอนที่มันกระทบเป็นเวทนาทุกเวทนาทุกเวทน า, ททนาอุเบกขาเวทนาคือถ้ากระทบอะไรถูกใจมันจะดูดเข้าอัตโนมัติกระทบอะไรไม่ถูกใจมันจะดิ้นรนผักใส่รังเกียจตบดิ้นติดเตียนนินทาว่าร้ายผู้เสืยดสีกระแทกแดกตันเจ๊งยังไงก็ตามขอให้มันได้สะใจออกไป แก็พอมันจะอาแต่อุเบกขาเวทนาเทีอเอาไว้ให้เฉยรรู้วยแล้วเฉยเฉยเฉยนี่คือมันความโง่ความหลงมันยังติดอยู่ที่เอาวิชามันติดอยู่ที่จิตเดิมแท้พอเรารู้เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างเนี้ยอะไรก็ตามที่มันปรุงมันขึ้นมาได้มันในใจจากไม่มีเป็นมีขึ้นมาจากไม่กระเพื่อมเป็นกระเพื่องขึ้นมาจากไม่ไหวตัวเป็นไหวตัวขึ้นมาจากไม่มีผู้เข้าไปดูจิตไม่มีผู้เข้าไปรู้จิตก็เริ่มมีผู้เข้าไปดูจิตผู้เข้าไปรู้จิตอันนั้นน่ะมันเอาสังขารมาปรุงทั้งนั้นแหละ เราเห็นแล้วนี่ก็สังขารนี่ก็สังขารนี่กัสังขารนี่ก็สังขารนี่สังขารแม้แต่อยู่ทํางานอยู่เนีไม่ได้ทํางานไปทั้งวันเลยเอวันนี้เราไม่ได้ดูจิตเลยวันนี้ไม่มีสติเลยเนี่ยไม่ได้ดูจิตเลยอะเริ่มเริ่มจะดูจิตไอ้ที่เริ่มจะดูจิตเนี่ยคือเริ่มเริ่มยึดเลยแต่ไอตอนที่ไม่ดูจิตทํางานมันก็ยึดอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่เห็นว่าจิตตัวเองยึดอะไรไม่ยึดอะรมันก็ไปยึดไปทั่วหมดแหละแต่ครั้งที่มันบอกว่าเออวันนี้เราไม่มีสติเลยวันนี้เราทำงานขอดูจิตหน่อยพอเริ่มตตตตตัััั้นนนนจจะดดูิิิมมมมก็็เเเเเเเเรรรร่่ยยยลีออาาาววป เอามาปรุงเลยเอาเอามาปรุงเป็นขันนาปรุงเขาไปดูจิตแล้วเราก็ขาดสติปัญญากำกับว่าอืมมันปรุงอะไรขึ้นมาก็ตามน่ะไม่ว่าจะปรุงเป็นผู้เข้าไปดูจิตหรือปรุงไปยึดอะไรเนี่ยมันเป็นอวิชชาหมดสิ้นยึดมันก็ไม่มีอวิชชาอาวิชชาก็ดับสิ้นกิเลสสิ้นความทุกข์ไอ้สิ้นยึดแต่มันสิ้นยึดจับไอ้ที่มันติดมากับไเราทาร้เราไม่ได้ไปทําลายอะไรขันนาไม่ได้ไปยึดขันนาเราไม่ได้ไปทํานิพพานที่ขันนาไม่ได้ไปประยึดไม่ไปทําให้ใจมันเป็นอุเบกขาเวทนา เราไม่จะไปดับความคิดดับอารมณ์ความรู้สึกให้มันว่างๆให้ใจมันว่างๆเราทำอย่างนั้นไม่ได้ถึงจะติ้นย no, ึดพอติ้นยึดท่านนั่นแหะไอ้อวิชชาที่มันติดกับธาตุรู้เนี่ยมันเลยดับไปอวิชชามันดับแต่ธาตุรู้มันคงเป็นธาตุรู้ตามเดิมไม่ใช่ว่าธาตรู้กลายเป็นใจของเราเราอยากให้ใจเราว่างๆใจของเราว่างๆมันเป็นธาตุรู้ที่มันเป็นความว่างแต่อวิชชาความหลงยึดความโง่มันติดอยู่กับธาตุรู้ดับความโง่ไปท่านั้นแหละไอ้ธาตุรู้ที่เป็นความว่างมันคงเป็นความว่างตามเดิมเลย แล้ไอ้ขันหน้ายังเป็นขันหน้าตามเดิมเพราะมันไม่แตกดับทํำลายรอมันตายซะก่อนในขันหน้าเนี่ยร่างกายก็ดับไอเวทนาสัญญาสังขารวิญาาณก็ดับส่วนไอ้ท่านรู้ที่เอาวิชามันดับไปแล้วมันก็เหลือแต่ท่านรู้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่เป็นเอาวิชามันก็เลยมีแต่ความรู้ที่เป็นพุทธะคือความรู้แจ้งรู้ว่างเปล่าจริงๆมันเป็นความว่างเปล่ารู้สิ้นยึดจริงๆเนื้อที่เป็นท่านรู้ที่บริสุทธิ์